ของเบ่งไร้ถามทั้งปวงเห็นว่าไม่มีน้ำคือคุดลงไปลึกตั้งสี่สิบวาไม่มีน้ำเนี่ยก็ตกใจละไม่รู้จะทำย่างไรครั้งเวลาคำ่ำของเบ่งก็จุดธูปเพียงขึ้นบูชาเทพพญดาแล้วก็พิพานว่างเข้าไปเกี่ยวขนเบ่งจู ก, กัดเหถียงตั้งใจจะทำประจต ก, การสนองพระคุณพระเจ้าเลาปีเบสุจร จะยกพระเจ้าเราเสียนขึ้นครองราชสมบัติบำรุงให้รัศดรเป็นสุขสืบไปบัดนี้ใครทนทั้งปวงก็ขัดสนกันบานด้วยน้ำเป็นยิ่งนะหากมุญพระเจ้าเราเสียนจะได้เป็นใหญ่ตัวข้าพเจ้าจะได้ช่วยทะลุบำรุงแผ่นดินขอเทพยดาจงโปรดให้พรานชีวิตตักท่านปวงด้วยพาพระเจ้าราศีน นี้ได้แล้วก็จงบันดาลให้กั บ, บเจ้าขงเบ่งผู้เป็นคนอาภัพนี้ตายเสียเถิดอย่าให้มีชีวิตอยู่ดูหน้าคนสื่อไปเลยขงเบ่งล่าวอธิษฐานอย่างนี้เรียกว่าเอาชีวิตเต็นจะเป็นเดิมพันไปเลยถ้าไหค่็จะตายไปแคเลยขนเบ่งทำพิธีเบือสูงเสร็จเรียบร้อยครั้งเวลาเชา้า ทหารก็เข้าไปรายงานกับขุนเม่องว่าบ่อที่ขุดลงนั้นน่ะมีนม้ําขึ้นเต็มทุกบอ่อคนได้วยในฝันก็ดีใจคอยทหารได้เดิมกินน้ํา ม, มันแหละเอาเสร็จแล้วก็ยกเดินพานไปยังเขาอินปองสันก็ใหุ้ตักน้ําในบ่อท่านนั้นแหละอลำเลียงไปด้วยเพราะน้ำข้างหน้าไม่อาจจะหวังพุ่งพาเดิมกินได้ก็ต้องเอาน้ํา บอ่อทั้งสิบบ่อที่ขุดอยู่แหละซึ่งมีน้ำหยุดเต็มบอ่อทั้งสิบบ่อนี่รำเบียงไปเปน็นงานบ่อของเบกมีทางที่จะพุ่งเข้าสู่เขาอินตองสัมบักฝ่ายทหารคอยเหตุของบเบกเฮกเขาบเบกเฮกก็ต้องชวนทางนมาตอบแนเหมือนกันทหารของเดกเฮกเนี่ยก็มีความแตบกบ่อกับกเดกเฮกแบบนี้ ของเบ่งลกทหารร่วมพังบ้านตะวันตกเข้ามาได้แล้วเบ้เงเฮกด้วยควารายงานมันก็ตกใจทีเดียวขัฝายท่านโต้สู่ตายอองก็ถิอว่าแกเบ่งเฮกว่าพันอย่าเพิ่งวิตกกไปเนื้อความที่ว่ามานี้ยังไม่เห็นสมมัไม่สมเลยจิเข้ามเจ้าจะไปดูเห็นกากจแต่ตา ก, ก่อน และเต่สู่แต่องก็ขึ้นไปยืนบนยอดเขาที่สูนเห็นขงเบ่งยกทัพใกล้เข้ามาแล้วและเห็นทหารนะ่ะหากมามาด้วยเป็นอันมาเต่าสู่แต่องก็คิดสงสัยนะก็กลับลงมาว่าแกเบ่งเ็กว่าคุณบัดนี้ขงเบ่งยกมาได้จริงแล้วขเขาเป็นปรปฏิรัตนะจะรอยเทภาระ คงจะบอกเหตุแก่คนบิ่งเป็นแน่เบ่งเฮก็จริงว่าถ้าเพลานั้นขบเจ้ า, าจกับเบ่งฮิวสองคนพี่น้องจะลาท่านออกไปสู้รถกับคนบิ่งว่าจะสิ้นชีวิตลงกับพี่เมื่อทหารจับมัดตัวได้คนบเ่งดูหน้าได้อีกแล้วบบ่งเฮก็อายเหมือนกันตัวสุดแต่อ๋งก็จิว่าตัวท่านกับขบเจ้ า, าจ ก, ก็เป็นพวกเดียวกัน ก็แม้ว่าทำเสียแก่ขงเบ้งแล้วถึงตัวขบเจ้ากับสมัครพระพวกทั้งปวงขงเบ้งก็จะไม่ไว้ชีวิตเลยโตฟูแต่องกล่าวดังนี้ก็หมายความต้องสู้ด้วยกันต้องตายด้วยกันละ่ะและโตฟูแตองก็สั่งข้าโคกระบือจัดสุรามาข้าโคกระบือมาทําอาหารมพร้อมกับสุรามต่างๆมาเรียนขะแก้่าถานพระพวงะ จักแจงจะยกออกรบกับคนไั้ทหารก็เข้ามาบอกว่าเอียวของซึ่งเป็นนายใหญ่อยู่นะเขามินปิกสันยกทหารสามหมื่มาช่วโดโอสู่แต่เอาได้ฟันก็ดีใจก็มาต้อนรับคำมาเป็นตามตำมนีนแล้วก็พาทหารกับเ e อียวของเนี่ยเข้ามาในที่อยู่เอียวของเอียวของมีมีมุตราคนนะ่ะ เยอหองนั่ก็อวดขึ้นดีเดียวเราวะบุตรข้าพเจ้าห้าคนนี้มีสติปัญญาระฟีมือเข้มแข็งนะแล้วฐานข้าพเจ้าก็มีกำลังกล้าหาญใส่เกราะเหล็กเสมอทุกตัวคนแม้ขอเบ่งยกทหารร้อยหมื่นเข้ามาแต่กําลังข้าพเจ้าเหนือ แ, แต่ขออาสาเอาไทยชนะให้ได้มีเอยอหองว่าอย่างนี้แล้วก็เรียกบุตรห้าคนเข้ามาขมม่าโตู่ไตอ๋องกับเบ่งเหล็ก เบ่เคตุเห็นบุตเอี่ยวของเนีรูปร่างคมสันวิสังอามืเสืออันร้ายกาก็มีความยินดีนะก็สั่งแตง่งโต๊ะเอยห้องกับบุตรห้าคนนั้ น, นกินโต๊ะเฟสปูราด้วยกันขณะเมื่อกินโต๊ะเฟสปูราอยู่นั้นเอี่ยว้องเนี่ยแกล้งทําเมาําแดงฤทธิต่างๆทําเพลย์โล่เพล ง, พงล์พลโย่ผลโจนพยานทาสั ง, งาแล้วก็หวะถึงผมไม่มา เราจะตัดศีษะด้วยเพลงอาวุธอันนี้ขณะนั้นพอดีหญิงสิบคนซึ่งเอียวหองเนี่ยคิดคนอูบายเตรียมมานะักสยายผมเดินปบมือทำเพลงเข้ามาเอียวหอมก็เลยบุกเอาจอกสุราคนละจอกเข้าไปคำนับเบ่งเฮ็ดเบ่งฮิวเบ่งเฮ็ดเบ่งฮิวมีได้แจงในโกลูบายของเอียวหอนี่เลย ว่ามาโดยรายที่มาโดยดีนี่มาได้รู้เลยกนิดเดียวปรับจอบสุราเงยงหน้าขึ้นจัดดินเอี่ยวของกระว่ดขึ้นเป็นสัญญาณบุกเอี่ยวของก็กลุ้นดินนั้นเขา้าจับตัวเบ่งเหตเบ่งหิวได้สําเร็จฝ่ายเจ้าสู้ตาย อ, องเห็นดังนั้นรกระและดีใจว่าเขาจะมาช่วยตัวแต่มัดนี้เอาเขามาจับอย่างนี้เขาก็ตกใจขยับตัวจะวิ่งหนี ยองก็รวบตัวจับมัดไว้ได้อีกคนหนึ่งยิงทั้งสินมันก็วิ่งกันเข้าไปช่วยมัดตัวเบ่งเฮกไว้ได้สำเร็จเลยทิ้งอันว่าเบ่งเฮกเบ่งยูตัวสู้แต่องถูกจับหมด เบืเหตุก็คือว่ากเกลียวหองว่าเกลียวหองท่านกับเราก็ไม่ได้มีสาเหตุทําผิดสิ่งใดต่อ ก, กันท่านมาทําร้ายแก่เราเนี่ยก็หาประโยชน์อันใดไม่นานไปท่านจะได้ความเบียดร้อนเดื้เหตุไว้อย่างนี้เยวหองก็จริงวะมาหาอุปราชเมืองเสฉวนเป็นคนมีเมตตาแก่ฝัดทั้งปวงจับลูกหลานเราได้นะ่ะ ก็ยังไว้ชีวิตปล่อยมาสิ้นเราคิดถึงคุณมหาอุปราท่านจึงจะมาจับตัวท่านซึ่งเป็นคนทรยศมัดไปให้แกมหาอุปราเป็นการแทนคุณนี่เองคือเหตุผลของเอียวของก็บรดาผู้คนทั้งปวงเราทหารที่ไปรบแล้วก็ถูกทหารคงเบ่งจับตัวได้คงไม่งก็ปล่อยปล่อยปล่อยมาเนี่ย ส่วนเ่งเฮกเนี่ยปล่อยแล้วก็กลับไปรบปล่อยแล้วก็กลับไปรบก็ในบรรดาพวกเดียวกันก็ยังมีความคิดอยู่ล่ะ ว, ว่าเบ่งเฮกเนี่ยทะเลต่อของเบ่ง น, นี่เอี่ยวของผู้ดีจริงกระทำเช่นนี้บอกที่มากลับแต่เพราะเหตุเนี้และเอี่ยวของก้องประกาศแก้ฐานทั้งปวงทีเดยวว่าเบ่งเฮกกระทำความผิดกระทำทั้งปวงเดือดร้อนบัดนี้เราจับตัวได้แล้วจะเอาตัวไปมอบให้แก่ขนเบ่งมาอุปราทัางทั้งปวง จงกลับไปอยู่ให้เป็นฝุกตามภูบีลามเมาเธอเรือของปล่อยฐานเรื่ององมหมดกแล้วคือทหารก็แบ่งเห้แบ่งฮิวนและเรือหองก็พาตัวเบ่งฮหกเบ่งหิวและโตวสู้ตาของมัดตัวไปให้แก่ขนเด่ง เบงเด็กสะความหวาดเอี่ยของรับตัวเด่งให็กบ่งอยู่มาได้ก็มีความยินดีก็เรียกเอี่ยวของเข้าไปคํานัดตามธรรมเนียมและยกเอียวของก็ว่าแกะของเบ่งวันขบเจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านหยุดนักเขามีติสันคิดถึงคุณของมหาอุปราชึงได้ปล่อย เ, อเด็กไว้ชีวิตปล่อยลูกหลานขบเจ้าไป ข้าพเจ้าจึงคิดคนอุบายจับเบ่งเฮกเบ่งฮิวมัดแทนพระคุณท่านเอาเอวของไหวอย่างนี้ของเบ่งก็ให้บำเหน็จรางวัลเก่เอวของเป็นนั้นมากแล้วเขาให้ตัวเอาตัวเบ่งเฮกเบ่งฮิวเข้ามาเมื่อฐานเอาตัวเบ่งเฮกเบ่งฮิวเข้าไปของเบ่งก็วุ่นเราะแล้วก็พูดว่าท่านจะยอมสมัครอ่อนน้อมต่อเราแล้วหรือยังเบ่งเฮกก็จีิว่า ซึ่งท่านจะให้เราอ่อนน้อมต่อท่านนั้นนะ่ะมิชอบเพราะเม่อี่เราแพ้เนี่ยเราไม่ได้แพ้ที่มีท่านเนี่ยเป็นเรื่องบันนี้เียวหองเพื่อนเรานี่แหละทํากลอุบายให้เราไว้ใจแล้วก็หลอกจับตัวเรามาได้เท่านี้ถึงกันแต่ฆ่าเราก็ก็ตามเถอะเราไม่ได้อ่อนน้อมต่อท่านเป็นอันขาดเบ่เง ผมสุดทุ่ม่รู้จักกับคำบอกแพ้เนี่บอกอย่างนี้ขุเป็งก็จิ้งว่าครั้งนี้ตัวนันน้นหนีเราเข้ามาอยู่ในที่คับขังหวังจะรวงให้เราเข้ามาเป็นอันตรายดื่มน้ำร้ายกลางคานนั่นแต่เทพยดาก็ช่วยบำรุงรักษาเราให้เราตามตัวเข้ามาได้จงถึงที่นี่เหตุไฉนอน่ตัวมาถือพิธีมานะไม่ยอมอ่อนน้อมต่อเราอีกแล เบื้งแรก็จินว่าโดิมเราอยู่เมืองยืนแขกูุ่ฐานกำแพงหอรบมั่นคงแม้ท่านจับเราได้ในเมืองนั้นสิเราจะอ่อนน้อมต่อท่านช่วยลูกช่วยหลานนี่เราออกมานอกเมืองเราหรอกท่านจึงลวงจับตัวเราได้และมาครั้งนี้เราก็ถูกเพื่อนกันลวงเราจับเอาตัวเรามานี่จะตอบู้กระดื้นพ ม, มีให้พ่ายแพ้เมื่อไร จะได้ให้เราอ่อนน้อมต่อท่านได้อของเบ่งเด็กกว้างนั่นก็เห็นว่าเบ่งเล็ก น, นี่ยังมีมืองนะถือตัวอยู่ชนิดก็จริงว่าเอาเถอเราจะปล่อยท่านไปอีกครั้งนี้ท่านจงไปหาที่มั่นท่านุบอมุนตะแกลาหาไว้พร้อมเถอะเราจะยกไปเมื่อได้สู้รบกับท่านแล้วท่านจะได้เห็นฝีมือเราแม้นเราจับท่านมาได้อีก ท่านเป็นผู้อยู่ช น, นิดเราจะฆ่าให้สิ้นทั้งโครอบขเบ่งกล่าวดังนี้แล้วก็ให้ทหารแกะมัดเบ่งเฮกออกไปเอาเบ่งเฮกก็ขมับราขนเบ่งไปแล้วผมเบ่งให้ทหารแกะเบ่งฮิวและเต๊ะสู่ใตอ๋องออกมาเอาเรียงตุลาอาหารแล้วก็เอมาม้าให้คนละตัวปล่อยไปให้ตามเบ่งเฮกไปคะั้นเบ่งฮิว โต้สู่ใสอ๋องไปแล้วคือคือบอกปล่อยเบ่งเอกไปก่อนและจีนปล่อยคนนั่งฟองตาหมดออไปเมื่อสองคนนี้ออกไปแล้วขอเบ่งก็ปั้งเอียวของให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่และให้บําเหน็จรางวันแกหญิงสิบคนของเอียวของที่มีฝีมือและบรรดาฐานทั้งปวงนั้นตามสมควรเอียวของก็คำนับลาของเบ่งกลับไปที่อยู่ เบ่โตสู่ไตอ๋อมตาบอกไปทปันเบ่งเฮกแล้วทั้งสเบ่งเฮกเบ่งฮิวโตสู่ยอมก็รีบพากันเดินผ่านไปทั้งกลางวันกลางคืนไปยังเมืองสํำขังนอกเมืองสํำขังเนี่ยมีแม่น้ําล้อมอยู่สามด้านนอกนั้นออกไปอฝ่ายข้าพิศเหมือเป็นที่ราบกว้างสัก400สี่ร้อยเซนมีผลไม้ต่างๆเป็นอันมาก นี่เมืองนี้ดูเป็นเมืองหน้าอยู่ดีสีเดียวมีแม่น้ำล้อมรอบสามด้านมีที่ราบกวา้างมีไม้ผลต่างๆเป็นอันมากข้างทิศตะวันตกไปประมาณ200สองร้อยเซนเป็นมาเกลือนี่ข้างทิศใต้ไลไปประมาณ300สามร้อยเซนจะไปถึงเมืองลงต่อต๋องแล้วก็จะไปถึงเมืองหลวงมีภูเขาล้อมรอบ ในเมืองน่ะมีภูเขาใหญ่ชื่อมิ้งแขมีเมืองนี้ก็เลยได้ชื่อเมืองตามชื่อภูเขาไปด้วยบนยอดเขาเนี่ยมีปราสาทชื่อกลงเปียนเหล่าข่ายเป็นที่อยู่ของเจ้ามันองที่ใกล้ๆปราสาทนั้นมีสารเจ้าสําหรับแผ่นดินเป็นสารเจ้าที่ฝักศิก หาบ้านชาวเมืองทั้งปวงเคารพนับถือมากจะแต่งเครื่องไปเส้นไหว้เจ้าแก่กุยพิสานั้นปีละสี่ครั้งแล้วก็มีผู้คมสำหรับปลิมัตดรับใช้อยู่ที่ศาลเจ้านั้นรับเครื่องเส้นนะคนนั้นชื่อโป ก, กุยแล้วชาวเมืองทั้งปวงเนี่ยก็จะต้องไปจับเอาคนในแดนมืองเสฉวนมาเส้นไหว้ทิสาน แห่งนี้ทุกปีนี้ได้ขาดถ้าหาไม่หรือถ้าไม่กระ ท, ทําเช่นนั้นก็จะประเอร์เด็กับไข่ได้ตัวเป็นโรคเป็นภัยต่างๆนานาประการอีกประการเนเมืองนิงแขนนั้นนิได้มีกฎหมายเป็นแบบอย่างธรรมเนียมเหมือนหัวเมืองท่านปวงหรอกคือว่าถ้าผูดด้ใดใครก็ทําผิดให้เจ้าเมืองขัดเคืองแล้วเจ้าเมืองก็แจวตัวไปขาดเสียถึงมาแต่ว่ายิงชายในเมือมนั้น จะทำผิดละเมิดหนอกคำบิดามารดาสามีก็ไม่ได้มีโทษอ น, นุภาพฝนไม่ตกต้องตามรูดูการไม่บริบูรณ์ขัดฝนไ้ข่าปลาอาหารชาวเมืองทั้งปวงก็จะเอาเนื้อเอาชาา้างมาฆ่ากินเวื่อชีวิตนี่เป็นเรื่องราวของเมืองนินแขแห่งหมันของ ได้ทราบสภาพของเมืองนิงแขของเบ่งเฮกก็นี่ยอือก็เป็นบ้านป่าเมืองเถืนทีเดียวอะเป็นเมืองที่ไม่มีกฎหมายแบบอย่างทํามเนียมใดๆทั้งสิ้นสุดแพ้แต่ท่านเจ้าเมืองคนเดียวเท่านั้นอ่ายเบ่งเฮกขันมาถึงเมืองนิมแขกเรื่นส่องสมผูกคนไายทนก็ได้ทหาร ประมาณพันเศษเบ่งเฮกก็ว่าแก่ฐานน้ำปวงวาง่าเราทําฝึกกับขมเบ่งก็เสียทีเด็ความมาไปเลิศ ม, มาเป็นหลายครั้งท่านท่านปวงที่มีสติปัญญาจนช่วยเราคิดบ้างทําำไหนจะได้ชคยชนะขอเบ่งที่เบ่งเฮกต้องร้องขอให้ช่วยกันคิดบ้างตัวไหล น้องพรรยาของเบ่งเฮกพูดรจริงว่าแม่ผมเบ่งยกติดตามมาข้าพเจ้าจะขออาสาแก้แคบไม่จงได้เด่งเฮกก็ถามว่าท่านจะคิดอ่านทำประ ก, การใดอ่ะตรวจหลายพูรจริงว่าลกูลกบกไต่ของเจ้าเมืองปัดหลับป้องอยู่ข้าที่ตะวันตกของเมืองเราเนี่ยลกูลกบกไต่ของนี่มีความรู้เชี่ยวชาญ ถ้าขุ้นชานไรยเวทมนต์คาถาแล้วเนี่ยเรียกให้เกิดลมพยุพัดเกิดก้อนศิลากระเด็นไปถูกข่าศึกก็ได้หรือจะไรยเวทมนต์เรียกสับร้ายต่างๆเอามาใช้ก็ได้และยังมีปีศาจสามมืมติดตามให้ใช้สอยย่นได้ครับนี่บุกหลกแตอ๋องนี่มีเศษอย่างนี้ ขอให้ท่านแต่งหนังสือไปฉบับมือกับสิ่งของเครื่องบรรณาการให้จงมื่อข้าพเจ้าจะไปหาบุกลบแต่ อ, องออนวอนให้ยกฐานมาช่วยท่านก็เห็นว่าการเราจะสําเร็จเด็กเฮกได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยทีเดียวก็เขียนหนังสือแจ้งเนื้ความตั้งเพลแล้วก็จัดสิ่งของมันมีค่าให้กับตัวไหลตัวไหลก็คำนับลาเบลเฮกไป แล้วบ่งเฮกก็จึงให้โตสู่ใตอ๋องเนี่ยโตสู่ใตอ๋องขุนทหารไปยรักษามเมืองสำขังฝ่าคของเบ่งบีก็เป็นผู้ติดตามอย่างไม่ลดละเหมือนกันก็ตาเมเบ่งเฮกมามาจนถึงเมืองสําขัค ง, คงก็จึงไ้เกี่โวร่วมกับวี่เอียน คุหารยกเข้าตีมือสำคัญทางข้างพิษเหนื้อไฟโต้ฟูตายอ๋องก็ให้ทหารที่นจำาน ม, มากม้ขึ้นรักษาหน้าที่เชิงโทนไม่เป็นสามารถทหานทั้งปวง ก, ก็เตรียมมากม้ยกระสุนมียาพิษอยู่ด้วย เ, เป็นยาพิษชนิดหนึ่งที่ทําจากไม้ถ้ายิงถูกผู้ใดเข้าแล้วเนี่ยจะเปื่อยเน่าผุพันไปจนตายเลยมีพิษ พิษสูงร้ายกาดดังนี้ซึ่งมันแตกต่างกับยาพิษจากพวกเกาทันที่ทางฝ่ายการั้งฮุตโต๊ะโจโทรบกันเองถ้าใครถูกเกาทันแบบนั้นเข้าแล้วเนี่ยจะพิษเกาทันจะกําเริบคุ้มรุนแล้วถ้ากรอบมากก็จึงจะตายส่วนส่วนหน้าไม้ก็เป็นอาวุธชนิดหนึง่งลักษณะคล้ายๆเกาทันเหมือนกันแหละคล้ายๆธนูพิษ ของเจ้าอ า, อาวุธล็นิพิษของหน้ามาให้เนี่ยถ้ายิงถูกแล้วเอยเมา้าผูกพังจนตายฝ่ายจูร่งครั้นยกฐานเข้ามาใกล้ทหารบนกำแพงเมืองทหารของโตสุตะอองก็เอาหน้าไมา้ระดมยิงลงมาถูกฐานจูร่งเก็ดปวดลอดนปายเป็นหลายคนละ่ะจูร่งกับอุยเอยงก็ถอยกลับไปหาขงบิ ขงเบงเห็นทหารถูกหน้าไม้เจ็บตัวเป็นสาหัสก็เอายามาใส่ให้พิษหน้าไม้นั่นก็หายอืมขงเบงมียาแก้และขงเบงก็ขึ้นเกวียนเข้าไปดูภูมิประเทศก็เลยเห็นภูมิผานบ้านเมืองมั่นคงขงเบงก็ถอยทัพออกไปตั้งคลายมั่นอยู่ไกลาจากเมืองออกไปประมาณหกสิบเซนทหารในเมือ ง, งสำกันเห็นขงเบงถอยทัพไปตั้งมั่นจากนั้น ก็ประมาทเลเนื้อสำคัญว่าคงเบ่งแพ้ฝีมือตนสู้ตัวไม่ได้ไปแล้วจึงถอยไปแต่ขั้นฝ่ายของเบ่ง น, นั้นถอยออกไปตั้งอยู่ห้าวันเวลาค่ำของวันที่ห้าละเกิดลมพัดขึ้นในค่ายคนเบ่งก็สั่งถานนั้นเปลงว่าเราจอาชายผ้าชายเสือ้อ เสื้อเหนอคนละผืนให้ได้ในเวลาวันนี้ถ้าพูดไดไม่ได้เราจะตักทิศสาเสียเอาคงเบ่งออกคําสั่งเป็นอักษรจำขึ้นมาได้อย่างเนี้จะเอาผ้าชายเสื้อคนละผืนฐานในบริเวันก็สงสัยอยู่แต่ก็เกรงอาญาของเบ่งละก็หาผ้าชายเสื้อมาคนละผืนเอาให้คงไบ่ครบตัวกันเพราะทำไมหายไม่มถูกถึงตายเนี่ย ในเวลายามหนึ่งของคืนนั้นขุนเบงก็ให้ทหารเอาผ้านั่นแหละอืผ้าชายเสื้อน่ะเอามาห่อดินคนละหอ่อแล้วก็เอาเข้าไปถมกําแพงเมืองเอาชายเสื้อเนี่ยห่อดินคนละห่อนี่แหละเข้าไปถมเมืองถมกําแพงเมืองถมขึ้นไปถมขึ้นไ ป, นไปจนถึงใบเสมาเลยแล้วก็ว่าแก่ฐานน้ำบวกว่าถ้าผู้ใดเข้าเมืองได้ก่อน เราจะปูนบำเหน็จให้ถึงขนาดฝ่ายฐานน้นปพวงเห็นท่านหกหลวงมหาอุปราชของเบงกระทาอย่างนั้นมันก็เป็นทีว่าจะขำก็ได้แต่เพราะเห็นแผนการจะ ม, มีสำเร็จดีอย่างนี้ชายผ้ า, าผ้าชายเสื้อคนละผลืนเดียวเนี่ยพอดินไปโผลมม่ในน้ำแผงแล้วว่าใครเข้าได้ก่อนจะให้รงางวัลให้ถึงขนาดอย่างนี้ ทารนบูได้ฟันดังนั้นก็ทิ้งกันวิ่งเข้าไปทีเดียวตางก็กลูกันเข้าไปเมืองได้เป็นอันมากแล้วก็ไล่ข้าฟันผู้คนในเมืองเป็นตื้ออึนขึ้นทีเดียวข้างทหารในเมืองสำคัญเนี่ยประมาทเลินเล่อไม่ได้คิดเลยว่าจะถูกโจมตีขึ้นอย่างนี้ตวัวูุต่าย อ, องนั้นก็ไม่รู้แล้วว่าบัดนี้ฝึกมาแต่ข้างเหลือข้างใายประกานใดอย่างไรก็ไม่รู้เลย เด็กความประมาทใจไม่เด็ดระแวงระไวใจอย่างไรอะโต้ฟูสองก็ขึ้นมาพาทหารหนีออกมาค่ายทหารของของเบ่เห็นนั้นก็ไล่รุกเข้าไปเอาทวนแทงถูกโต้ฟูตายอ๋องตกมาดตายแรงฐานน้ำพวงก็แตกกระจัด ก, กระจายกันไปทิ้งเมืองเสียหนีไปหาม่เบ็กประมาณกึง น, นึ่งเป็นงานว่าของเบ่งก็ได้ชายชนะแกะสํามกัญ มบใชัยะนาแกโตสู่ไปออมคมเบ่งก็ยกเข้าไปตั้งอยู่ในเมืองสามกันแล้วก็จัดแจงการที่จะยกเข้าไปสู่เมืองนิ่งแขเพื่อจะกำราปรามเบ่งเฮกต่อไปให้จงได้ พได้สาบขาวจากทารทังงที่หนีไปถึงอะวัดสำกังเสียแก่ขงเบ่งเสแล้วโต้สู่ตายอ๋องก็ตายไปเสียแล้วเบนเฮกก็มีความวิตกยิ่งนะก็พอดีมีฐานขมารายงานทันทีว่าบัด น, นี้ขงเบ่งยกกองทัพข้ามฝากเรื่องข่ามาในแดนยิงแขนแล้ว เบงเฮก็ตกใจถึงสดุ้งขึ้นทั้งตัวเลยอันนี้ท่นเชียเห็นว่าเบงเฮกูไม่เคยหวาดกลัวเนี่ยเมื่อบแบบนี้ก็หวาดกลัวแล้วอ่ะสะดุ้งขึ้นทั้งตัวนานจกหยงซึ่งเป็นภรยาดนแอบอยู่ในฉากเห็นดังนั้นเนี่ยก็วะเราะแล้วก็เดินออกมาแล้วก็พูดว่าท่านผู้เป็นสามี เป็นชายท่าทหารควรรื้อมาสิ้นความคิดด้วยการฝึกแต่เพียงเท่านี้ท่านเดียววิตกเลยตัวขา้าพเจ้านี้เป็นหญิงแต่ก็จะขออาสาออกทำฝึกกับขงเบ้งเบ้งเ็ได้ฟังงานจบยงผู้ปริยามาผู้นี้ก็นึกขึ้นได้เพิ่งนึกขึ้นได้เนี่ยของใกล้มือของใกล้ตัวบางทีก็ลืมไปนึกไม่ออกบัดนี้บ้งใ้เพิ่นึกได้วะ่ะ พรยาของทนคนนี้มีวิชาใช้อาวุธได้คือถ้าข่าศึกไล่มาเนี่ยนางจะวาวุธโยนขึ้นไปบนอากาศแล้วก็จะจำพ้อ้อาวุธ น, น่ะตกลงมาถูกข่าศึกมีความสามารถอย่างนี้เบเกทพึ B ek, ่งนึกได้ก็เห็นพอจะสู้รถเอาชัยชนะของเบเทได้มาเบเกทก็มีความดนดีคมนั อรับคำของนางผู้เป็นภรรยานี่แหละแล้วก็จัดทหารเอกให้ร้อยคนทหารเร็ว 5, ห, ห้าหมมอบเอกแก่นางจบยงนางจบยงก็คำนับเบ่งให้กุาลีแล้วก็นำพัะออกจากเมืองไปทีเดียวก็พอดีเตี่ยวหนีมาตรงทหารของของเบ่ง ย, ยกมาถึงก็เข้าสกัดรบเลยทีเดียวนางจบยงเห็นย่งนั้นก็แต่งตัว มีอาวุธวิเศษเ็ดหลังไปได้ห้าเล่มแล้วก็ขึ้นรังมา้าถือหอกใหญ่ยาวสามวาอาวุธของนางจกยงนี่เป็นหอกใหญ่ยาวสามวาก็ยาวหกเมตรนะลเํเพลยอาวุธเข่ารบกับเปียวนี 9, 9, 9, 9, เก้าวเก้าเพลนงู้รบกันด 9, เดก้าเพลงละและนางจกหยงผู้มีหอกใหญ่เป็นอาวุธ ก็ทำเป็นแพ้ชักม้าหนีเตี้ยวหนีทหารฝีมือดีคนนึงของ ข, อ ง, ของเบงผู้ น, นี้ก็ไม่ได้แจ้งในกลุมบายของนางผู้นี้ยก็ขับมา้า้อยตามไปแหละนางจบหยงก็ใช้วิชาคลี่คัน อ, อาวุธของตนที่เดบลังมาโยนขึ้นไปบนอากาศแล้วอาวุธนั้นก็ตกลงมาถูกเตี้ยวหนีตกจากหลังม้าเลย ทหารทั้งพวกของนางจกยงก็กรูกันกุ้กันกกไปจับตัวเปี้ยวหนีมัดไว้ได้ฝ่ายมาโตเห็นเพื่อนกันถูกจับตัวไปดังนั้นอะ่ะก็ขับม้าเข้ารบแต้ไขเปี้ยวหนีก็เห็นนางจกหยงยืนมาถือหอกใหญ่อยู่นั้นอะ่ะมาโตก็โกรธขวบม้าเข้ารบกับนางจกหยงทีเดียวก็สู้รบกันอยู่ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันนางจกยงก็ทำโกนอุบาย เอาเชือกผ่านเทาา้าม้าของมาตรงถึงลง้มลงมาตรงก็ตกจากหลังมานั้นตรงยังไม่ฐานเข้าจับตัวมัดมาตรงได้อีกคนหนึ่งนี่มานจบยงวิ่เก่งกลาได้ใคย ช, ชนะสามารถจับตัวเตียงหนีมาตรงบ่าทั้งสองคนก็อเอาตัวกลับเข้ามือ เบ่งเฮู้สามีเห็นความสามารถของนางจบยงหยงรูปเป็นภรรยาแต่มันก็มีความยินดีนะักได้ชายชนะนี่ตัวเองออกรบไม่เคยชนะเลยแบบนี้นางจบหยงได้ชาชนะก็มาชนิดจับหมายทหารของผมไม่ไถึงสองคนเนี่ยเบ่งเฮกฟังแต่งโตเรียนนางจบหยงผู้ภรรยาเสพุลาอาหารนางจบหยงนั้นก็สั่งทหาร ให้เอาตัวเตี้ยวหนีกลับมาตรงไปฆ่าเสียนี่นานจากหยงสั่งฆ่าเลยแต่นี่แหละที่คนเบ้งเนี่ยก็ทาไว้ก็ทําไว้ก็ทําไวนะ้น่ะให้จะไม่เป็นผลผลเกิดขึ้นระบาดนี่แหละคือเมื่อนางจากหยงผู้ภรรยาสั่งทหารฟองทหารของของเบ้งนั่นนะ่ะเบ้งเฮกผู้สามีเนี่ยก็กินว่า ตัวข้าเนี่ยทำฝึกกับขงเบ้นคงเบ้นนะีจับตัวข้าเนี่ยได้ถึงห้าครั้งก็ไว้ชีวิตปล่อยมาไม่ได้ทำอันตรายซึ่งเจ้าออกไปรบครั้งเดียวจับเตียวหนีมาตรงมาได้แล้วจะให้ข้าเตียวหนีมาตรงเส่ไ น, นั้นนะิชอบคนทั้งปวงจะคระหาบินทาได้ให้เรางดไว้ก่อน พอเมื่อกลับผมเบ่งได้แล้วให้ฆ่าพร้อมกันก็เลยทีเดียวนั่นแหละกินจะดีเบ่งเหตุกล่าวอย่างนี้คืออย่างน้อยสุดก็ยังยังไว้ชีวิตก่อนนะถึงไม่ปล่อยแต่ก็ยังไม่ฆ่าก็ น, นับว่าดีเจียวหนีมาตรงมาได้แล้วจะให้ฆ่าเจียวหนีมาตรงแค่นั้นนะ่ะมิชอ คนทั้งปวงจะคราหาดินทาได้แต่ลองงดไว้ก่อนพอเมื่อจับขงเบ่งได้แล้วให้ฆ่าพร้อมกันเพยทีเดียวนั่นแหละจรกกิงจะดีไม่ง เ, เหกล่าวอย่างนี้คืออย่างน้อยุก็ยั ง, ย, งยังไว้ชีวิตก่อนนะถึงไม่ปล่อยแต่ก็ยังไม่ฆ่าก็นับว่าดีเมือจบยงเบกงวางเบ่งทีแบบ่สามีกล่าวนั้นก็เห็นชอบด้วยคก็ทหารเอาตัวเดียวหนีและมาตรง ก็เ น, นี้อความไปแจ้งกับคงเบ้งผู้ประการล่ะเดี๋ยวนี้มาตรงออกไปเจ๊ข่าสจะเป็นหญิงรบขา่าถูกจับตัวไปอะ่ะคงเบ้งก็เรียกมาใต้มาฝั่งทีเดียวว่ะท่านจงคุมทหารอยู่ทางน้อยถ้าเห็นนางจกหญิงไลยจูล่ลงกับอุเอียนมาให้เอาเชือกท่านเท้ามาจับตัวนางคนนี้มาให้ตรงได้นี่คงเบ้งฟั่งจับตัว นางจบหยงมาใต้ก็คำนับรานำฐานไปตุ่มอยู่ตามที่ของเบ่งสักแล้วของเบ่งก็สัง่งดูร่นกับอุยเหอียนว่าให้ท่านยกทหารเข้าไปรบกับนางจกหยงแล้วให้ทําเป็นแพล่อให้ไล่มาทางที่มาใต้ตุ่มอยู่นั้นเพื่อมาใต้จะได้จับตัวนางให้จงได้ดูเรื่องอุยเหอียนรู้ในแผนการที่นี้แล้วก็ คำมปรับคาของเด็กแล้วก็ยกทหารไปคร้งเวลาเชาทหารก็เข้าไปรายงานกับเบงทีกว่าจูเลนยกทหารเข้ามาท้ารบมาตกอยู่เหนืก่านั้นก็ไม่ฟังอะไรกันทั้งสิ้นแล้วรู้ความตัวนี้ก็ขึ้นมายกทหารออกไปรบ ก, กับจูเลนรบเบกเจ้าวเพลงยังไม่แพ้ไม่ชนะ จูร่งทักมาหนีทำเป็นพีล่อให้ไหล่แมจบหยงความจริงจะใช้เพลงนี้เหมือนกันคือจะทักมาหนีจะล่อจูโล่งไล่อยู่เหมือนกันแต่จูรล่งทำห้ก่อนแมงก็เกรงทีเดียววันี้คงเด้งจะทำคนอุบายก็ได้แมงจบหยงก็จริงไม่ตามไม่ตามจูโล่งแมงกับพาฐานถอยจะกลับเข้ามือ อุยเอียน อ, อุยอเหยอียนเห็นอนัน้นก็ยกหงตามเข้ามานางเจิดหยงก็ทักมาเคารพกับอุยเอียนเป็นคามสา ม, มารถอุยเอียนก็ทําแพ้ทักมาหนีนางเจิดหยงก็หยุดาลตั้งมันอยู่นอกเมืองแท่นั้นนี่ได้ต็ดตามไปแตอย่างใดแล้วก็เลยตั้งมันอยู่นอกเมืองนะั่นแหละคืนรุ่งเชา้าคันเวลาเชา้าที่เรื่องกับคุนมหันก็ไป หาทายชวนรถอีกนางจดหยงก็ขับมาอบอรถกับจูเลผู้เด็กแปดเพลงจูเลก็ชักม้าหนีอีกนางจดหยงก็มีได้ตามไปแต่อย่างใดงหนีจนหนีก็หนีไปนางก็ถอยมาจะกลับเข้าเมืองเหมือนกันก็เป็นเมื่วานนีแ่แกอุยเอียนอุยเอียนนี่ก็ขวบม้าเข้ามาร้องด่าทีเดียวร้องด่าร้องด่าเป็น องด่านางจบยงเป็นโคกคำหยากทั้นต่างๆเลยนางจบยงเนะม่ันนก็กรธกลับมามาม า, มารบกับอุเอียนอูเอียนก็ขวบหมาหนีและหนีพลางร้องด่าไปพลางด้วยนี่อุเอียนเก่งนางจบยงโกรมากจนถูกด่าเนี่ยก็ขับมาไลตามไปได้วยกํามังโผล่ซะก็ด้วโผละแล้วมันก็ ปิดทุกสิงทุกประการหมดไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วจะกลนลวงจะไม่รวงประการไหนไม่หวาดไม่เกรงอะไรท่านนั้นแหละก ต, ตามไปจนถึงทางน้อยรินเชิญเขาพี่คงเบ่งให้มาใต้มาซุ่มอยู่อะมาใต้ก็เอาเชือกผ่านทาม่านางศกยองลง้มล ง, ลงนางศหยองก็พลัดตกจากหลังมา้าลงไปมาใ ต, าต้ในฐานนบงก็กรูกะระุ้มรุมจับตัวนางศกยองได้สําเร็จมา ตัวเอามาดไขา่ฝ่ายจูเรื่องอยู่ทางโน้นไร้คาบปันทหารของนางเจดหยงล้มตายไปนั่นมากหนีกลับไปเมืองได้บ้างก็มีฝ่ายของเบ้งนั้นเห็นมาต้ายจับนางเจดหยงมาได้ก็มีความยินดีก็ก ค, คยทําเหมือนที่เคยทำกับคนอื่นแหละคือให้แกะมากออกเสียแล้วก็เชนนางเจดหยงอยูเ่เกตุราด้วย แล้วกอเบ่งก็ให้ทหารเข้าไปบอกแกเบ่งเพชว่าให้ส่งตัวเตี้ยวหนีมาใต้ออกมาเราจะได้ส่งตัวนางจกหยงผู้เป็นภรยากลับคืนไปเม่งเพชได้วังดังนั้นก็ไ mm hmm. ด้รำลึกถึงตนเองเนี่ยที่ห้ามไว้มาดีแล้วห้ามภรรยาไม่ฆ่าเตี้ยวหนีมาตรงน่ะฆ่าแค่แล้วแลวะภรรยาถูกจับตัวไปอย่างนี้ มันก็ไม่มีตัวที่จะเปลี่ยนกันได้หรอกเบงเฮต์เนี่ยก็จิงปล่อยตัวเตียงนีีมาตรงออกมาของเบ็ก็ส่งนางเจกหยงเขา้าไปเบงเเห็นภรรยาก็ก็มีความยินดีนะก็พอดีขณะนั้นทหารเข้ามาบอกว่ารถยบตายอ๋องยกทหารมาถึงแล้วเบงเฮตก็ดีใจ มีกองทัพมาช่วยนี่ก็ออกไปรับ่ันบกโลกใส่ของที่วิเศถึงนอกเมืองพอเห็นบกโลกใส่ของเนี่ยใส่เสื้อเนี่ยพื้นทองประดับคลอยมีเราลองนึก ด, ดูนะครับอาจจะมนเหมือนกับเสื้อของมาตดนตรีก็คงจะได้คือประดับคลอยแวววาวทีเดียวใส่เสื้อพื้นทองประดับคลอยเน็ต ด, ดาบใหญ่ฝองเล่นขี่ท้างเืีย ยืนอยู่ท่ามกลางทหารซึ่งเป็นควานอ่เป็นควาน้นา น, านแล้วก็มีทหารอ่าที่จะบังคับตับร้ายเนี่ยพวกหนึ่งด้วยเบ่เเ็กก็เข้าไปามาบ่ันบกโลกใตอ๋ อ, องแล้วก็แจ่งเงื้อนความทั้งกวงให้สาปทุกประการบกลกใตอ๋ อ, องฟังเรื่องราวของเบ่งเ็กคือการสู้รบกับเอชวน รู้เรื่องรู้ความสิแล้วก็จึงตอบว่าท่านยาวิตกเลยซึ่งคงเด่งทำให้ท่านได้รับความอัปยโทษนั้นเราจะรับเป็นทุระช่วยแก้แค้นให้เองเด็กเห็นในตอนนั้นก็มีความยินดีกดเชื้อเชิญท่านบกลกใต่ อ, องผู้วิเศษเข้าไปในเมืองแต่งโต๊ะเธอนเนี่ยเตะทุราแล้วก็จกัดโต๊ะออกมาเรียงดูราวทหารของบกลกใต่ อ, องเป็นอันมากทีเดียว ก็ถืเป็นเรื่องแปลกมากมีแต่คล้องเรียกคนอ้าวมีค huh. นนี ก, นกันเอ้าวไหมครับ uh huh. ว่ากองทัพใครแต่ก่อนเป็นนายประการใดพอจะนึกประมาณกันได้ไหม mm hmm. พลิฝ่ายที่รื่องเห็นอย่างนั้นนะ mm hmm. ก็ว่าแต่อุยเย็นว่าแต่เราทําำสงครามมาเนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่ได้เห็นกระบวนฝึกประราอยย่่างนนีี้เล mm hmm. เราใ ด, ารารดจริงจะมีใครชนะ mm hmm. ขณะนั้นก็พอดีได้ยินเสียงรักครัง เห็นบกโลกใต้ข อ, องเป็นสง่าอยู่บนหลังช้างน่ะรายมนัดหาอยู่บนหลังช้างน่นถ้าคู่นึงก็เกิดลมพายุใหญ่พัด ก, ก้อนตีลาก็เด็มมาดังหาฝนทีเดียวแล้วก็ได้ยินเสียงบกโลกใต้ข อ, องเป่าแปรเขากระดีคือเป่าเขาควายนั่นเองเลยแล้วก็มีสัตว์รายวิ่งออกมาจากป่าเป็นอันมากสำแดงฤทธ ตรงเข้ามาในกองทัพจูรุ่งจูรุ่งเหมือนดังนั้นนจะสู้อย่างไรอ่ะก็ถอยทหารกลับเข้าๆคือไม่ไ ม, มีการต่อสู้ได้เลยล่ะก็วิเครานึกควันไปแจ้งแต่เ่งเบ่งทุกประการแล้วก็กล่าวอ้อนวอนขอโทษคือจูรุ่งปูไม่เคยแพ้แต่มาพบกองทัพผีกองทัพปีศาจแค่นี้เข้าหนึ่งไม่แพก้ก็คือแพ้นะคือไม่สู้อ่ะ เขาต้องอ้อนวอนขอโทษเกี่ยวไปทาการครั้งนี้ม่ได้มีชารชนะแ ก, ะก่ค่าซึกผูลงวินวอนขอพายโตแต่คงเบ่งก็หัวเราะแล้วก็ตอบว่าผูวเล่นธัญวิโตกเลยด้วยฆ่าศึกเน่มีวิชาเหลือปัญญาท่านท่านหามีโทษแต่ประการใดไหมสิ่งบกลกใจอ๋องมีวิชาแคนนี้ เราก็รู้อยู่และเตรียมการมาพร้อมแล้วนี่พบหลงคงเบ่งผู้ซึ่งได้รับฉา ย, ยาว่าผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรแห่งจบรู้ตลอดทุกกระบวนการอันนี้คงเบ่งจับเตรียมการให้พวงนี้ไว้แล้วเป็นความจริงผู้คงเบ่งก็รู้อยู่ว่าการที่จะต้องออกมารกุกยังดินแดนนอกเขตแคว้นแดนประเทศอาจจะต้องพบกับ หากฝึกต่างๆนานาประการกันละคงเบ้งเนี่ยเบ่งฟังให้อ่าแต่งเกวียนไว้สิบเอ็ดเล่มทำเตี๊ยมไว้ให้ถามไปเอาเกวียนนั้นมาเปิดออก<ม>ในเกวียนนั้น<ม>ก็มีรูปปัตกร้ายต่างๆร้อยมือทำด้วยไม้คื<ม>อคงเบ้งทําเหมือนกันแต่ทําด้วยไม้มเขียนรายเหมือนรูปปักแล้วก็มีรางอยู่ข้างใน ดินประสิวและลูกพื้มีลอ้อสําหรับที่จะเคลื่อนมันไปแล้วก็จะเดินไปได้ทุกตัวมี่ของเบ่งทำไว้ก่อนแล้วและขงไม่งกเกลฐานที่มีกําลังพังสําหรับที่จะประคองเจ้าะฝักทั้งหลายที่สร้างที่ทําไว้แล้วนี่คือทหารสิบคนต่อฝักรองหนึ่งตัวคือจะต้องขักต้องเข็นต้องขดัดบันให้ทะยุ่นเคลื่อนที่กันนะ เรียนการนี้แล้วครั้นเวลาเช้าก็ยกแานตรงไปยังเมืองยิงแขแล้วของเบกก็ยกตามเข้าไปที่หลังทีนี้ระย้อนกลเบไปกล่าวท้งบกลกไตอ่อนนิดนี้คือเมื่อสำแดงอิสริตรายเวทมนต์คาถาขับอยู่ลงทะเลเปิดเป็นไปแล้วได้ไถ่ชนะแล้วก็กลับเข้าเมือง เบงเฮกก็แต่งโตเรื่องธุระก็ทหารเข้ามาบอกคือว่าคงเบ่งยกมาแล้วบกกุกลงจองได้ฟังนั่นก็จึงว่าคงเบ่งมียังไม่เ็ที่มีเราอีกนิดยิงยกทหารเข้ามาอีกเล่าม่ันบกลงไปออกผู้วิเศษว่าจะมีแล้วก็จัดแจงทหารแล้วก็พร้อมกับเบ่งเฮ็ก ด, ด้วยละยกออกจากเมืองไปก็พอดีคงเบ่งมาถึงเบ่งเฮ็ก เมียงเ็กก็ทีมือบอกแกบกโกใตอ้องว่านั่นแหละที่ฝายมัวแต่งตัวอย่างมหาอุปราถถือพัดนั่งอยู่บนเกียนน้อยนั่นแหละคือคงเด็กแม้เราจับตัวได้แล้วแผ่นดินเราก็จะเป็นทุกบกลกใตอ้องเดกฟังว่าไอ้นั่นก็ตำระฆังตำระฆังรายเวทมนต์คาหาให้เกิดลมพายุ พัดก้อนปิรามาดังหาผมอีกแหละแล้วก็เปล่าแแปลคือเป่าเขาควายเป็นสัญญาณเรียกศัต ร, รัยออกมาเป็นอันมากคงเบ่งฮกหลงคงเบ่งเห็นดังนั้นก็ร่ายมนบ้างมีคงเบ่งก็มีเมวทมนตคถาเหมือนกันหมอกโลกแต่ออกมีเวทมนตร์คถ า, าขงบ่งก็มีคงเบ่งก็รายมนโบพัดของตนไป อมพายุมันก็พับกลับไปปัดร้ายทั้งปวงก็หยุดอยู่และ้ะผมเองก็ฝังให้เอาเพลินจุดอที่จะตรวจสอบที่ทํำด้วยไม้ที่เตรียมไว้แล้วนะ่ะจุดเพลินเข้าแล้วก็พลักเจาะัดไม้ที่ทําไว้เนี่ยเข้าไปในกองทัพเบ่งเนี่เจาฟับต่างๆที่ขงเบ่งทําไว้แล้วเนี่ยพอทหารสุบคนช่วยกันผลักดังมันก็จะเคลื่อนที่ไปได้เอง เคลื่อนเข้าไปในกองทัพของเบนแฮกพร้อมกันนั้นสายเทนวลติดจุดแล้วก็เริ่มทำหน้าที่ mm hmm. แล้วก็ปล่อยไอศกรมนั้นลอกองกองสนานวันไว้ยกทหารร้อมเข้าไปทีเดียวปัดไร้ซึ่งบกโลกใจของเรียกมานั้นถูกลุกงผู้ถูกประทับแบงคไฟสนานวันไว้เจ็บปวดสาหสก็แงตงสื่ะเลิดวิ่วายหนีไปหมดทหารทั้งปวงเองก็แตกตืนกันอื้งอีอ๋ของเบงก็ขับทหารเข้าร้าย ควันกระน่ำเข้าไปข่าบกลกใต้อองได้ตายในที่รบเม้งเหตุนั้นก็หนีเข้าเมืองาพาภรรยาสมัครพระพวกรีบหนีต่อไปของเบ่งก็ยกฐานเข้าไปตั้งอยู่ในเมืองนิงแขดได้ปูนบำเหน็จทหารทั้งวงตามสมควรแล้วกากเกณฑ์ทหารรีบติบตามไม่เหตุต่อไป ขอเบ้งเกเนี่ยเขว่าแกเบ้งเฮดว่าเราจะหนีไปบัดเนี่ยก็เห็นว่าท่านจะหาบทนมีของเบ้งมากข้าพเจ้าจะทิดคนอุบายให้ทหารร้อยแบ่งตัวซ่อนอาวุธไว้ในเสื่อในกจะจับตัวท่านสองคนกับพี่ข้าพเจ้านัดไปให้ของเบ้งของเบ้งก็จะดีใจ ก็จะเรียกหาตัวขบะเจ้ากับทหารที่มีความชอบเข้าไปในค่ายและเมื่อเข้าถึงตัวของเบ้งได้แล้วขบะเจ้าจะจับตัวของเบ้งฆาเพื่อให้จงได้ตัวหลายคิดแผนนี้เบ้งยิวก็เคยคิดแผนอย่างนี้มาแล้วครั้งหนึ่งอาจจะแตกต่างกันหน่อยเท่านั้นเองแต่ตัวหลายคิดที่จะเอาพี่สาวตนแล้วก็พี่เขยตัวคือเบ้งเอ็กเนี่ยเป็นเหยือ่อ เบ่งเฮ็ดเฟังดังนั้นทีนี้ตนเองจะต้องเป็นเหยื่อโกรธชอบด้วยตัวหลายก็จับตัวเบ่งเงฮ็ดเบ่งหิ้วแล้วกนางจกหยงแล้วก็พาฐานร้อยหมาของเบ่งฐานเหล่านั้นก็แปลงตัวทุกข้ออาวุธไว้ทุกคนขับเลือแสบผู้ติทํามานในทหารผู้รถทั้งนั้นพุ่งไปพบกับฐานของเบ่งที่ติดตามจับตัวเบ่งเฮ็ดที่กลางฐาน ตัวไหลก็เขไปบอกแกทหารนั้นว่าข้าพเจ้าได้ห้ามปรามเบงเฮ็กแล้วไว้อ่อนน้อมยอมแพ้ต่อมาหาอุปราชเท็จ<ๆ>เบงเฮ็กก็ไม่ฟังขืนสู่รถจนพร้พลได้ความเดือดร้อนเป็นอันมากข้าพเจ้าจึงจับตัวเบง เ, เงฮ็กได้หิวและภรรยาเอาตัวมามอบให้แกมาหาอุปราชขอท่านจงกลับไปแจ้งแกมาหาอุปราชให้ทราบท ห, หารนั้น ก็กลับเอาความมาบอกกับขงเบงขงเบงได้ฟังก็ฟังเสี้ยวยนี้กับมาตรงเลยว่าท่านทั้งสองจงจัดทหารคนละพันให้ยืนเรียงกันอยู่ในประตูค่ายของข้างทางเนี้ถัดตัวไหลพาเบงเฮกเข้ามาก็ใหมัดตัวไหลกับฐานทั้งพวงเหล่านั้นแหละเข้ามาให้เราด้วยอืมขงเบง เชี่ยงง่ายรอกสังจับเลยคือเข้ามาในโครงแล้วเนี่ยใครจับทิพีมาตรงเตี้ยวหนีก็ไปจับแจงการพร้อมไว้ตามที่คงเบ้งส่งฝ่ายตัวไหลก็พาตัวเบ็งเห้เบ่งยูพี่สาวเข้ามาถึงตัวค่ายละเตี้ยวหนีกลับมาใตา้ในฐานระวงก็กรูกันเข้าจับตัวตัวไหลในฐานร้อยหนึ่งมัดไว้ได้สําเร็จคงเบ่งก็แกล้งลฐานออกไปฟังว่า ให้ตัวหลายกับทหารทั้ตงตัวพาเบงเห็กเข้ามานั่นให้เข้ามาเถอะเตียวหวีกับมาตรงก็เอาตัวเบงเฮ็กเบ่งยืมตัวหลายและนางจบยงภระยาเบงเฮ็กพร้อมกับทหารทั้งตัวนั้นเข้าไปมอบแก่ขงเบงขงเบงของตัวหลายกับทหารมาข ม, มับกราลงกับที่ดังนั้นก็หวัวเราะแล้วก็วักแก่เบงเฮ็กว่าเมื่อครั้งก่อนนั้นเตียวหองเพื่อนของท่านก็เห็นว่าท่านทำผิด เดี๋ยวของจีจับตัวท่านมาให้เราเราก็ตู้ไว้ชีวิตปล่อยเช่นี้ได้เอาโทษแต่มาบัดนี้เราตัวไหลน้องภรรยาท่านเองจับตัวท่านมาให้เราหวังจะคิดกลอุบายฆ่าเราเสียเราก็รู้ถึงเท่าทันแกปัญญานั้นผมเบ่มกล่าวอย่างนี้เลยว่ารู้แล้วก็หารักถามให้ดูทีเดียว คือขโมเงเบก็ฝังทหานคนดูในตัวทั่วไหลแล้วทหารทัานทวงแหละก็ะได้อาวุธเน็ตซ้อนมาในเสื้อซึ่งมันเป็นประจักษ์พยานที่เพียงไม่ได้ทีเดียวขโมเบ่งก็ว่าแกเบ่งเหตุว่าเครคนองูบาย ท, ที่ท่านคิดทำเนี่เราคิดเล่นแล้วก็ลืนไปแล้วนะมีซะกว่านี้อีกและบัดนี้ตัวน่ะสิ่งความคิดแล้ว แจะว่าประการใดต่อไป<ม>เบืเ้ก็จริงว่าเรายังไม่ได้แพ้ผีมือท่านเบื้องเหตุออกทางเดียคือผีผผมือเท่านั้นแหะเรายังไม่ไแพ้ผีมือท่านหนึ่เป็นเรื่องหากว่าเราคิดผิดหรอกเข้ามาหาที่ตายเองท่านจึงได้ตัวเราถึงจะฆ่าเราก็ตามทีเถอะ อย่างไรก็ตามเรามิอ่อนน้อมต่อท่านเบ่งเหตุก็คงไม่ยอมอ่อนน้อมดอูนั่นแหละขอเบ่งก็คือว่าเราจับท่านได้อยถึงหครั้งแล้วแตยังเจรจ า, าอยู่ท่นนี้ถ้าเราตามจับกัอีกครั้งเราให้ตามจับกันสรกอีกสักปีครั้งถึงจะอ่อนน้อมต่อเราหนึ่งเหตุก็ติงว่า เมื่ปล่อยเราไปครั้งหนึ่งให้เราทำการให้จนขึ้นความคิดเป็นที่มีแล้วแพ้ท่านนั่นแหละเราจึงจะยอมอ่อนน้อมต่อท่านแม้่อท่านไม่เกลียดเราใช้ความฝักไว้แก่ท่านและเบ่เก็ให้ความฝัดต่อนหน้าของเบ่งละคือเรียกว่าเกิดทำฝักปฏิญาณนะของเบ็งเด็กฝันก็จิงคิดว่าอันเบนน่งที่มีก็เสียทีแก่เราแล้ว และทหารมั่นก็เบาบางเห็นว่าคงจะทําการใหญ่ติดปลายหาได้มาเราจะปล่อยอีกครั้งนึ่งให้ขี้ความคิดนี้จบได้ให้กระทําการต่อสู้กับเราจนขี้ความคิดจะได้ยอมอ่อนน้อมแกเราโดยจริงใจคงเมื่อี้คิดอย่างนี้แล้วก็จริงให้ฐานแก้มัดเบ่งให้เบ่งยี้ตัวหลายนางจบยงและฐานทั้งป้วนั่นแหละแล้วก็จริงว่าเราจะให้ชีวิตตัวอีกครั้งนึ่ง เมอเราจับตัวหน้อีกครั้งและตัวยังพูดย่ชนิดจะฆ่าเ้าให้สิ้ทนทั้งโคตรเบงเห็ดก็รับคำของเบงแล้วก็กลมมาพากันลุกออกไปกลับไปเหมืองเบงเห็กกลับไปแล้วก็ไปซ่องขุนผู้คนได้ทหารประมาณแปดร้อย ภายฐานประมาณแปดร้อยเท่านั้นแหละเบ่ง mm hmm. เห็นก็ว่าแกตัวไหลว่าบัดนี้ผมงเบ่วกเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองนิ น, นเขของเราแล้วเราก็มีได้มีที่อาศัยแต่คิดอ่านประการบายดีจึงจะตั้งตัวทําการสู่ไปได้ตัวไหลน้องกรรยานีกว้างขวางอยู่ต่เรื่องเขาเป็นคนกว้างขวางอ่า uh หมวกลบใจอ่องหนึ่งตัวไหลก็ไปเชิญมาตัวไหลก็พูดอีกว่าลุตตักกุศขึ้นยัง เ, เจ้ยเมืองออกตัวกข้างฝ่ายที่ตะวันออกไกลจากเมืองเราไป 7, เจ็ดพันเซนมีทหารจำนวนมากแม้ เ, เราคิดอ่านไปหาลุตตักกุศให้ยกทหารมาช่วยผมเราจะทําการได้ชัยชนะเป็นมั่นคงเพราะลุตตักกุศเนี่ย มีกำลังเป็นอันมากถึงวาสามตอกมีถูงวาสามตอกนะกวหกเมตรขึ้นเอสมเมตรขึ้นก็ก็กกสูงสูงสามเมตรขึ้นกินจะเนื้อสัเปน็นกินแต เ, เนื้อัเป็นคือเนื้อเนื้อสัสบๆอ่ะและผลไม้ต่างอาหาร แล้วก็มีวิชาคงทนสารพัดอาวุธทหารของรถบกอ๋ อ, บบองที่จะเข้าสู่สงครามมันน่ะก็เป็นฐานที่เข้มแข็งสามารถมากคือเอาไหวามาแช่น้ํามันไว้หกเดือนและเอามาถัดทําเป็นเกราะสาหรับสวนป่ายกันอาวุธถ้าเมืนถึงทางกําบาลจะต้องข้ามม้ำเนี่ยก็จะลอยตัวข้ามฟากไปได้ถึงถึงอาวุธ เป็นธนูเกาธันหน้าไม้ก็นนี้เข้าไประทายเคือนผิวกายได้เป็นการขาดอาวุธเหล่านั้นเมื่อมาถูกไหวแค่น้ำมั น, มนก็จบต ะ, ะ้อนกระเด็นไปหมดมีอาคมนรารมาฐานเหล่านั้นบ้าทหารเหล่านั้นมีชื่อเรียกว่าทหารปีนจับเก็งขอให้ท่นไปอ่อนน้อมต่อลูกัิษย์ ใยอนถามมาช่วยกันทำการแก้แค้นของเด่งคงจะสำเร็จเบ่งเฮตได้ฟังตัวอ๋องมองภรรย า, ารที่กาตีแจงให้ดังนี้ผู้มีความยินดีนะก ร, ระก็ฝ่ายตัวหลายก็พาบเบ่งเฮตไปหาลูกตากรณเมืองออก โ, โกกอกเมื่อไปถึงก็เข้าไปขมับกันตามธรรมนิยมและเด็กเฮตก็เล่าเนื้อความตั้งวงติดตนรบกับเสชวน ให้รุตักุดควันรุตัดกุดก็จริงว่าขี้งขงเบ่งหมาอุปราชเีิงเกฉวนบกกองทัพ บ, บุกรุกเขามาย่ำยีถึงในแดนเราให้ทำดนความได้ร้อนนั้นท่านอย่าวิ ต, ตกเลยเราจะรับเป็นภุระแก้แค้นเองแต่กระทำให้ขงเบ่งรู้สมิตรตัวให้จงได้อุตัดกุดรับคำจนนั้นแล้วก็ ฝั่งเขาอันเคลีให้ยกฐานตีนกับเป็นสามมื่นเป็นทัพมาเปิดตั้งคอรับกองทัพของเบ่งณริมแม่น้ำท้อวัวสีอยู่นอกเมืองออกโคกฝ่ายทิตะวันออกนั่นก่อนแล้วรุตักกุดก็พาเบ่งเฮสและสมัครพระพวกทั้งปวงยกหนุนตามไปภายหลังฝ่ายของเบ่ง สรงอยู่ในเมืองยินเค้นน่ะกนดะจับแจงทหารไปสืบข่าวคราวราชการดูว่าเบ่งเฮกจะไปตั้งอยู่ที่ไหนอยู่บ้านใดเมื อ, องนใดตำบลไหนจะทอยางไรทหารก็ไปสืบได้ความแล้วก็กลับมาบอกว่าเบ่งเฮกได้ไปพาลุดตกากุจเจ้าเมืองออกโอกรยกทหารมาตั้งอยู่ที่ริม น, น้ำทงหัวสุ่เป็นอันมากคงเบ็งเล็กกว่านั้นก็ ตัดแฉกฐานยกไปโดยทีเดียวไปถึงแม่นม้ำโพหัวสุยเห็นทหารรถตัดขุฏแห่งเมืองออฟเบกเนี่ย ร, รูปร่างน่ะเป็นชาวโดงอ่าแล้วก็แวดูแล้วมีรู้สึกว่าวิกฤติผิดปกติคิดสงสัยแล้วก็เห็นน้ำในแม่นม้ำโพหัวสุยเนี่ย เป็นที่เจ็บนนะแล้วก็เคยผ่านแม่น้ําตำน้ําแม่น้ําสําคัญมาตีสายอีกกินแล้วถึงฐานเป็นไม้ไปนะมันอศัศจรรย์เห็นชัดอยู่แล้วเห็นวิเดทของความวิปริตเรานี้อยู่แล้วเนี่ยของเบ่งคือดูทั้งทหารด้วยแล้วก็ดูทั้งน้ําในแม่น้ําด้วยนะ่ะก็จึงเรียกหกชาวบ้านมาสิดถามดูเป็นประการใดอย่างไรชาวบ้านก็บอกว่าน้ําในแม่น้ําโข้ว่าสุ่เนี่ย ถ้าไม่โทลมลงมาแล้วเมื่อใดคนต่างทิ่ต่างแดนต่างประเทศไม่รู้ตากน้ำมากินเข้าเนี่ยก็จะเ ม, มาไมยถึงตายในขณะนั้นแต่ถ้าเป็นชาวเมืองออกโกก๊กมาตักกินก็กลับจะให้เกิดสติปัญญาและมีกำลังมากขึ้นอืมอูม่แม่น้ำนี่เขาเป็นแม่น้ำ แม้แต่น้ำก็ยังข้านิยมอ่ะถ้าพวกบ้านเยอนมือเดียวเขามีว่ามีสติปัญญามีกำลังมากมายแต่ถ้าคนบ้านอีนเมืองอนประเทศอีนมา ก, กินเขามีต้องเมาตายผมได้ เ, เลยตอนนี้นก็ตกใจไออีเอียนตั้งค่อยู่ในแม่น้ำละแล้วก็บอกกล่าวเราฐานทัพหลวงให้ฝาดตัวของเบ่งเองนั้นถอยไปตั้งอยู่ายจากแม่น้ำไปประมาณสองร้ยห้าสิบเซน แล้วก็กำทับอาหารทั้งตัวเมื่อปักน้ํามันมากินเป็นอันขาดมี่ขงเด่งถ้าวิธีป้องกันอหา ร, หราของตอนโดยวิธีนี้ก่อนเรามันก็แน่นอนไวเกินแล้วก็ไม่มีใครที่จะกล้าขัดขืนกําปังไปปักน้ําไม่ื่อน้ํามันมาตีทีนี้ขัข้นฝ่ายเขาอันเคนีถึเป็นกองหน้าของรูกตะกุดเห็นของเด่งยกมาตั้งค่ายอยู่ดังนั้น ก็เกมฐานยกข้าม่าปไปทีเดียวจะเข้ารถทีไขอ่อุ่ยเอียนอุ่ยเอียนก็ยกออกมาตั้งอยู่นอกข้าว